บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการบำเพ็ญจิตตภาวนาของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปในการบำเพ็ญจิตตภาวนานั้นเป็นการปฏิบัติตามหลักของสมาสมาธิในองค์อริยมรรคแปดประการหลักของสมาธิ ภาวนานั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องของชีวิตประจําวันที่บุคคลจะต้องใช้ในกิจการทั่วไปเพราะว่าเมื่อบุคคลกระทํากิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นจิตใจจะต้องสงบอยู่ที่การงานนั้นๆไม่ใช่ว่าทํางานอย่างหนึ่งแต่ใจไปคิดอย่างหนึ่งถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว การงานเหล่านั้นก็จะสาเร็จเรียบร้อยลงไปไม่ได้เพราะว่าสมาธิในการทำงานไม่มีแต่ว่าสมาธิที่ใช้กันอยู่นั้นมีปริมาณน้อยบางโอกาสจิตใจของบุคคลมักจะถูกรุ่มรุมด้วยอำนาจของกิเลสทั้งหลายทำให้เสียความส ง, งบทางจิตใจ เรื่องของสมาธิซึ่งแปลว่าความตั้งมั่นแห่งจิตนั้นหมายความว่าผู้ผู้ปฏิบัติจะต้องมีจิตรวมอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งตามหลักที่ได้ทรงแสดงเอาไว้เจตจำนงของสมาธินั้นไม่ว่าจะทรงแสดงไว้ที่ใดกระามก็ทรงแสดงในรูปที่ว่า ได้แก่การที่จิตปราศจากกามปราศจากอากุศลในธรรมมีวิตกมีวิจาร์จนถึงไม่มีวิตกวิจารเปร็นต้นนี่คือเจตจำนงในการปฏิบัติสมาธิกรรมทานเรื่องของสมาธิก็คือการทำจิตให้สงบจากกามคุณทั้งหลาย กามคุณคืออาการที่จิตสั่นสายไปเหนียวนึกด้วยความกำหนดหมายในอารมณ์ที่จิตฝังใจว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจซึ่งอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่อื่นไปจากสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสิ่งที่กายกระทบซึ่งเรียกว่าผลิภัณฑในการก่อนนั้น เมื่อจิตเมื่อประสาทสัมผัสไปกระทบกับอารมณ์เหล่านั้นจิตไปเกิดกำหนดหมายว่าสิ่งนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจและจิตจะทำหน้าที่เก็บความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ภายในเมื่อจิตถูกกระตุน้นด้วยปัจจัยภายนอกหรือกระตุน้นด้วยความศึกนึกที่เรียกว่ากามวิตกก็ตาม ใจก็จะซัดสายไปหาอารมณ์เช่นนั้นปเป็นเหนียวนึกถึงอารมณ์เช่นนั้นซึ่งอารมณ์ที่เหนียวนึกนั้นส่วนมากแล้วจะเป็นเรื่องของอดีตคือไขวยคว้าอดีตซึ่งได้ล่วงเลยไปแล้วให้กลับมาบางอย่างก็เป็นเรื่องฝ่าวันถึงอนาคตปรารถนาที่จะให้มีรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นปรากฏเกิดขึ้นในอนาคต จิตใจแทนที่จะกำหนดอยู่กับปัจจุบันก็ต้องวิ่งสายไปสู่อดีตกับอนาคตหลักของการปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดเป็นสมาธินั้นทรงเน้นอยู่ที่ปัจจุบันเป็นประการสำคัญไม่ว่าจะในขั้นของสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ตามข้อนี้ได้ทรงสดแสดงประเภท ของคนผ่านคือคนที่จะไม่ไม่ฉลาดเอาไว้ในยะหนึ่งสองประเภทด้วยกันประเภทแรกคือคนที่ตามเศร้าโศกไฝ่ค ว, ว้าเรื่องที่ผ่านมาแล้วประเภทที่สองคือบุคคลที่ฝ่ายขวัญถึงเรื่องของอนาคตทรงแสดงว่าถ้าจิตใจของบุคคลแกว่งไปในเรื่องทั้งสองนี้ในที่สุด บุคคลเหล่านั้นก็จะเหี่ยวเฉาไปเหมือนกับต้นอ้อที่ถูกตัดแล้วฉะนั้นการที่ทรงแสดงเช่นนี้เป็นเครื่องชีใย้เห็นว่าจิตของคนที่ไปไขอ่คว้าอาดีตหรือว่าเพ้อฝันถึงอนาคตนั้นเป็นการละเลยปัจจุบันธรรมซึ่งเป็นของตนอย่างแท้จริง เรื่องของการทั้งสามนั้นผู้ปฏิบัติจะพบว่าอดีตการเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตและดับไปแล้วในอดีตเป็นการเวลาที่ผ่านไปโดยไม่อาจที่จะกลับคืนมาอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตามบุคคลจะต้องกําหนดรู้ถึงความจริงในสวด น, นี้แล้วเพียงพยายามตัดสิ่งที่ท่านเรียกว่าปริพเ คือเครื่องกังวลเหล่านั้นออกไปจากจิตใจไม่ไปไขว่คว้ า, าไม่ไปรำพึงรำพันหรือเศร้าโศกถึงเรื่องอดีตทั้งหลายและในขณะเดียวกันเรื่องของอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่ยังไม่มาว่ากันตามความเป็นจริงแล้วสัพว่าอนาคตะก็แปลว่าไม่มาเพราะว่าเมื่อมาถึงเมื่อไหร่ก็กลายเป็นปัจจุบันไปทุกที เรื่องของอนาคตถ้าหากว่าบุคคลไปตรึกนึกไปเหนียวนึกไปเพ้อฝันถึงอยู่แล้วก็จะปล่อยเวลาปัจจุบันของตนให้สูญเสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรโบราณโบราณบดิต ท, ท่านกล่าวไว้เป็นคำคมว่าอดีตเป็นเรื่องของผีอนาคตเป็นของเทวดาปัจจุบันเป็นของเรา ทำไมท่านจึงกล่าวเช่นนั้นเพราะว่าอดีตได้ตายไปแล้วโดยนิยะดังกล่าวจึงเป็นเรื่องของผีเท่านั้นเองส่วนอนาคตเป็นเรื่องของเทวดาจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็อยู่ที่เทวดาในที่นี้ก็คือบุญบา ร, รมีของเราว่าจะมีอายุยืนนานไปจุดถึงอนาคตหรือไม่การเวลาที่แท้จริงของบุคคลจึงอยู่ที่ปัจจุบันเท่านั้น ถ้าหากว่าบุคคลทำปัจจุบันให้ดีแล้วอดีตก็จะเป็นอดีตที่ดีอนาคตก็จะเต็มไปด้วยความสมหวังสมหรับบุคคลเหล่านั้นการปฏิบัติในส่วนที่เป็นสมถกรรมฐานคือการทำใจให้สงบหรือที่เรียกว่าจิตภาวนานั้นจึงเน้นหนักอยู่ที่ปัจจุบัน ให้บุคคลตั้งสติกำหนดระลึกจูในอารมณ์ของกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งชงทรงจำแนกแสดงไว้ถึง40ประการด้วยกันการที่อารมณ์ของกรรมฐานมีถึงสีสิบประการนั้นไม่ได้หมายความว่าบุคคลจะต้องปฏิบัติให้ครบทั้ง40ประการแต่ให้บุคคลเลือกเฟ้นดูว่ากรรมฐานข้อใดที่เป็นสัปปายะ คือให้ความสะดวกสบายแก่ตนเมื่อปฏิบัติไปแล้วความฟุง้งซ่านต่างๆสงบระงับไปจิตใจโน้มน้อมลงเข้าสู่ความสงบได้ง่ายก็ให้เลือกปฏิบัติในกรรมฐานข้อนั้นแต่โดยมากแล้วมักจะใช้พวกจิตภาวนาคือพวกอาณาปานสติหรือว่าพุทโธเป็ น, นต้นทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ากรรมฐานเหล่านี้ เพื่ออํานวยให้เกิดความสงบแก่บุคคลที่มีจริตแตกต่างกันออกไปเพราะว่าจริตของคนจะแตกต่างกันอย่างไรก็ตามแต่ว่าในจุดหนึ่งที่เหมือนกันคืออการเหนียวนึกของบุคคลที่ซัดสายไปตามความฝังใจของตนลักษณะเหล่านั้นเมื่อเหนียวนึกมากข้าวก็จะกลายเป็นความฟุ้งซ่านขาดความสงบ การภาวนาวัพุโทโกรดีการกําหนดลมหายใจเข้าออกก็ดีนั้นเป็นการดึงจิตเข้ามาผูกไว้กับอารมณ์ซึ่งท่านอุปมาไว้ว่าอาการสายไปของจิตนั้นเปรียบเสมือนกับลูกโคสตินั้นเปรียบเสมือนเชือกที่ล่ามลูกโคไว้กับหลักอารมณ์ก็คือหลักเป็นที่ล่ามของโคเหล่านั้น ตัวกรรมาฐานก็คืออารมณ์ที่ล่าคือหลักที่ล่าลูกโคเหล่านั้นไวเมื่อล่ำเอาไว้ลูกโคอาจจะดิน้นเชือกขาดแต่ว่าเจ้าของจะต้องเอาเชือกนั้นมาต่อไวอีกเมื่อขาดอีกก็ดึงมาต่อไวอีกแล้วในที่สุดลูกโคนั้นก็จะเหนื่อยแล้วจะนอนอยู่ใกล้ใลหลักนั้นเองจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นนั้น แกจะวิ่งซัดสายไปในอารมณ์ต่างๆบุคคลก็เอาสติมาผูกไว้กับอารมณ์พยายามดึงแกกลับมาแกดิ้นไปก็ดึงกลับมาดิ้นไปก็ดึงกลับมาอย่างเรื่อยซึ่งแน่นอนว่าในขั้นของการปฏิบัตินั้นจะต้องอาศัยความเพียรพยายามเป็นอย่างสูงซึ่งหลักข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งเล่าถึงการปฏิบัติของพระองค์ ในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ว่าพระองค์ดารงจิตของพระองค์ไว้ด้วยหลักธรรมสมประการคืออารัธิวิโยมีการปรารบความเพียรที่สืบต่อกันไปไม่ปล่อยให้ความเกียจคร้านความเหนื่อยหน่ายความระอาเข้ามาเป็นอุปสรรคในการประพฤติปฏิบัติในขณะเดียวกัน ก็ดำรงพระองค์อยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นปกติคาว่าความไม่ประมาทเป็นปกตินั้นในชั้นนี้เป็นเรื่องของการควบคุมจิตควบคุมอารมณ์เอาไว้คือการระมัดระวังใจของตนเอาไว้ไม่ให้รัดสายไปหรือตกไปในอารมณ์ที่จิตเคยเสพคุ้นคือเคยคุ้นเคยอยู่เป็นปกติ เรียกว่าเคยเหนียวนึกเคยนึกถึงอยู่เป็นปกติอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่อื่นไปจากอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงและอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความโมโัวเมื่อจิตตกไปสู่อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในขณะนั้นกิเลสสายโลภะที่ยังไม่กาเริบขึ้น ก็จะกำเริบขึ้นและจะเจริญงอกงามยิ่งข si ึ้นเมื่อจิตตกไปในอารมณ์ฝ่ายที่ไม่พอใจไม่ยินดีอารมณ์กิเลสสายโทสะที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นท ja ี่เกิดแล้วก็จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเมื่อจิตตกไปในอารมณ์ของความหลงความมัวเมากิเลสสายโมหะที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเจริญงอกงามขึ้น แต่เมื่อผู้ปฏิบัติได้อาศัยหลักคือความไม่ประมาทพยายามสัมรวมระวังจิตของตนไว้ไม่ให้ตกไปในอารมณ์เหล่านั้นชื่อว่าได้ปิดกั้นกระแสะของอารมณ์ที่เป็นสื่อของกิเลสไม่ให้เพิ่มขึ้นภายในจิตใจและในขณะเดียวกันก็เพียรพยายามปฏิบัติไปตามหลักของกรรมฐานด้วยเจตจำนงอันแน่วแน่ ที่ทรงใช้คำว่ามีตนอันส่งไปแล้วคือหมายความว่ามีความมุ่งมั่นอย่างสูงที่จะก่อให้เกิดความส ง, งบขึ้นภายในจิตใจของตนถึงแม้ว่าในขณะที่ปฏิบัติอยู่จะประสบอุปสรรคความรัดสายแห่งจิตเป็นต้นอยู่มากก็ตามแต่เมื่อเจตจำนงที่แน่วแน่นั้นไม่หวั่นไหวไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคต่าง โอกาสหนึ่งกายและจิตก็จะโน้มน้อมไปเข้าสู่ความสงบตามหลักของสมาธิในชั้นของสมาธินั้นก็คืบคลานกันไปโดยลำดับชั้นแรกเรียกว่าคณิกะสมาธิเป็นความสงบที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะหนึ่งหรือวูบหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าขณะหนึ่งหรือวูบหนึ่งของจิต ที่ปรากฏขึ้นด้วยกำลังแห่งสมาธินั้นได้ทรงแสดงว่ามีผลมีอานิสงส์มากข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกตัวอย่างจิตใจของบุคคลที่หลุดพ้นจากอำนาจกิเลสด้วยกำลังแห่งเมตตาว่าเมตตาเจโตวิมุตต์คือจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจพยาบาทโทสะเป็นต้น โดยเมตานั้นอันบุคคลให้เกิดขึ้นแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งที่ทรงใช้คำว่าชั่วลัดนิ้วมือเดียวคือหมายความว่าชั่วขณะของการดีดมือเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นจิตที่มีผลมีอานิสงส์มากจะปวยกล่าวประยัยถึงการที่บุคคลสามารถทำจิตให้มีความส ง, งบขึ้นยิ่งกว่านั้น และเมื่อบุคคลได้ปฏิบัติด้วยหลักของสมถะกรรมฐานจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งก็ตามความโน้มน้อมไปสู่ความสงบก็จะเพิ่มมากยิ่งขึนจิตจะคุ้นเคยจะมีความดีต่อความสงบสูงขึ้นสมาธิจะทิ้งช่วงนานขึ้นท่านเรียกว่าอุปจาระสมาธิคือเชียดใกล้ความตั้งมั่น ความแน่วแน่ของจิตเข้าไปกรรมฐานบางอย่างเช่นอนุสติหกแรกหข้อแรกเป็นต้นนั้นเพียงแต่จิตเข้าสู่อุปจารสมาธิเท่านั้นปัญญาจะเกิดขึ้นแ ก, ก่กล้าสามารถที่จะใช้ปัญญาพิจารณาสังขารเป็นต้นให้เห็นความจริงตามพระไตรลักษณ์ คือสามารถที่จะใช้บาตรในช่วงนี้จเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้แต่ว่ากรรมฐานส่วนที่เป็นสมถะส่วนมากแล้วจิตใจของบุคคลจะต้องส ง, งบลงในจุด ท, ที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิคือแน่แน่ดิ่งลงไม่ได้หวั่นไหวไปตามอำนาจภายนอกแต่ประการใดในขณะนั้นสิ่งที่เรียกว่ากาม สิ่งที่เรียกว่าอากุศลก็จะพลอยสงบลงไปกว่ายามปกติเมื่อบุคคลจเจริญไปแล้วก็จะเข้าสู่ขอบข่ายของหลักปฏิบัติที่เรียกว่าสมาสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นโดยชอบคาว่าจิตที่ตั้งมั่นชอบนั้นหมายความว่ามีการตั้งจิตในลักษณะหนึ่งซึ่งไม่ชอบท่านเรียกว่า เป็นมิจฉาสมาธิไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์อริยมรรคการปฏิบัติตามองค์อริยมรรคจึงต้องให้เกิดเป็นสมาสมาธิได้แก่จิตตั้งมั่นโดยชอบจิตตั้งมั่นโดยชอบนั้นตั้งอย่างไรข้อนี้ได้ทรงแสดงอธิบายไว้ในพระสูตรทั้งหลายดังที่กล่าวไว้แล้วในตอนต้นว่าวิวิจะกะ กาเมหิอกุสเลหิธรรมเมหิสวิตตกังสวิจารังเป็นต้นซึ่งหมายความว่าจิตนั้นจะสงบประงับจากกามกามทั้งหลายจากอากุศลและธรรมทั้งหลายแม้ว่าจะมีวิตกคือความสึกมีวิจารคือความไตรซองอยู่ก็ตามกามทั้งหลายนั้นคืออาการเหนียวนึกอย่างที่ได้ว่ามาแล้ว เพราะว่าการที่แท้จริงนั้นทรงแสดงไว้ว่าเกิดจากความดำริของคนข้อนี้พระผู้มีพระภาคจาเมื่อได้จัดสรุปใหม่ๆได้ทรงเปล่งเป็นทํานองพระพุทธอุทานขึ้นว่าดูก่อนกามบัดนี้เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำรินี้เองคือหมายความว่าสาบตรใดก็าตามที่จิตใจของบุค ยังเหนียวนึกยังตรึกนึกด้วยการกาหนดหมายว่าสิ่งนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจจุไม่ว่าจะเหนียวนึกถึงสิ่งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามทราบนั้นกามจะส ง, งบระงับจากจิตของบุคคลไม่ได้แต่เมื่อจิตใจของบุคคลตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วตัวสมาธินั้น เป็นตัวทําลายความจึกนึกในลักษณะดังกล่าวพระสมาธิเป็นปฏิปัติ์ต่อกามฉันคือความจึกนึกด้วยอำนาจความรักใคร่พอใจในกามทั้งหลายส่วนที่เป็นอกุศลและธรรมทั้งหลายนั้นก็หมายถึงนิวรณ์ทั้งห้าประการซึ่งเกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตใจของบุคคลอันที่จริงนิวร์ทั้งห้าประการนั้น ก็ไม่อื่นไปจากโลภะโทสะและโมหะแต่ว่าเกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตใจเท่านั้นไม่ได้ออกไปข้างนอกซึ่งหมายความว่าความเล่าร้อนด้วยเพลิงกิเลส ท, ที่ปรากฏนั้นจะแผดเผาจิตใจบุคคลผู้นั้นเท่านั้นไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับตนเมื่อสมาธิบางเกิดขึ้น ากุศลและธรรมต่างๆก็จะสงบ ร, งระงับไปโดยอาศัยองค์ที่เรียกว่าองค์ของฌานลักษณะของฌานนั้นแบ่งออกเป็นสองอย่างคือในขั้นของการปฏิบัติไม่ว่าจะภาวนาวาพุทุโรหรือการกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ตะเป็นฌานส่วนที่เรียกว่าเป็นเหตุแปล ว, ว่าความเพ่ง สารใช้คำบาลีว่าอารามณูปนิจฌานคือเพ่งดูอารมณ์หมายความว่าให้จิตสงบอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานที่บุคคลกำลังปฏิบัติจุและเมื่อเพ่งไปจนเกิดความสงบแล้วฌานนั้นเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่ารูปฌปานเป็นตัวผลที่เกิดขึ้นจากความสงบแผงจิตของบุคคลนั้น ฌานที่บังเกิดขึ้นนั้นจะมีการปรับจิตของบุคคลให้เข้าไปสู่ความส ง, งบโดยลำดับไปในชั้นแรกปฐมฌานท่านบอกว่ามีองค์อยู่สองมีองค์อยู่ห้าประการคือมีวิตกความตรึกนึกที่ประกอบด้วยกุศลมีวิจารคือการไตรซองสิ่งที่ตรึกนึกนั้นมีปีติคือความเอิบอิ่มใจ ที่ปรากฏเกิดขึ้นลักษณะของความเ อ, อิบอิ่มใจนั้น mm. ก็คล้ายๆกับสิ่งที่กระตุ้นแล้วก็เกิดความดีใจในชีวิตประจาวันแต่ตัวปีติมีความละเอียดมีความประณีตกว่าอาการดีใจที่คนประสบกันอยู่ความสุขคือกายและใจมีความปร่งเบาส ง, งบเย็นปรากฏขึ้น แม้อาการปวดเมื่อยเป็นต้นซึ่งถือว่าผู้ปฏิบัติทางจิตจะต้องผจอยูก่ก็สงบระ ง, งับไปเอกคตาคือจิตเข้าถึงความเป็นนันเดียวได้แก่สมาธินั่นเองเมื่อองค์ชาญปรากฏเกิดขึ้นแล้วองค์ชาญนั้นจะเป็นเหมือนกับแสงสว่างเมื่อปรากฏขึ้นแล้วทำหน้าที่ขจัด ความมืดในจุดนั้นให้หายไปองค์ของฌานทั้งหประการเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะทำหน้าที่ส ง, งบนิวรที่เรียกว่าอากุศลเหล่านั้นให้ออกไปจากจิตใจวิตกข้อแรกที่เกิดขึ้นนั้นจะทำหน้าที่ส ง, งบถีนมิทะคืออาการ ง่วงนอนเสื่องซึมง้อยเหงาเบื่อหน่ายคลานกายคลานจิตตลอดถึงจิตหดถูที่ปรากฏขึ้นแก่บุคคลจับใดที่วิตกยังมีอยู่อาการเหล่านั้นก็จะสงบระงับดับไปวิจาร์ซึ่งเป็นองค์ฌานข้อที่สองนั้นเมื่อปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็จะทำหน้าที่สงบวิจิกิรา คือความลังเลสงสัยที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลวิจิกิจฉานั้นเป็นกิเลสที่ถือว่าเป็นอันตรายมากเพราะว่าตราบใดที่จิตใจของบุคคลยังแกว่งอยู่ด้วยอำนาจของความลังเลสงสายนั้นโอกาสที่จะปฏิบัติพลาดทำพลาดพูดพลาดก็จะเกิดขึ้นได้เสมอ พระบุรีพระภาคเจ้าทรงอุปมาวิจิกิจฉาว่าเป็นเหมือนกับทางที่มีเสือโคร่งดักอยู่ข้างหน้าถ้าใครเดินไปข้างนั้นทางนั้นโอกาสที่จะถูกเสือโคร่งกัดก็มีได้ง่ายจิตที่ประกอบด้วยวิจิกิจฉาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นของการบำเพ็ญเพียรทางจิตนั้น วิจิกิชาคือความลังเลสงสัยที่เกิดขึ้นภายในจิตใจสแสดงออกมาในรูปของความสงสัยในพระพุทธเจ้าในประธรรมในพระสงฆ์ในไตรสิกขาในการที่เป็นอดีตในการที่เป็นอนาคตในการทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตและในปฏิจจสมุปบาทแต่ละอย่างนั้นจะเป็นขวากน้ำสําคัญที่สุด ที่จะสกัดกั้นคนเอาไว้ไม่ให้เกิดความสงบขึ้นดังนั้นเมื่อวิจาร์ซึ่งเป็นองค์ฌานปรากฏขึ้นวิจาร์เป็นลักษณะของปัญญาเรื่องพินิจพิจารณาไตรซองหาเหตุหาผล <c oughs> ก็จะทำหน้าที่กระจัดวิจิกิิชานิวร์ลงไปได้ปีติคืออาการเอิบอิ่มทางจิตใจของบุคคลเป็นผลโดยตรงมาจาก การบำเพ็ญเพียรทางจิตปรากฏออกในลักษณะต่างๆส่วนมากแล้วจิตในขณะนั้นจะฟูขึ้นและมีความเยือกเย็นที่บุคคลสามารถประจักษ์ได้สัมผัสได้ด้วยใจของตนลักษณะปีติมีความเยือกเย็นแต่ว่าลักษณะของพยาบาทมีความเร่าร้อนเมื่อปีติปรากฏขึ้น ก็จะทำหน้าที่ขจัดพยาบาทซึ่งเป็นกิเลสสายโทสะบางครั้งอาจจะไม่เป็นพยาบาทก็ได้เช่นว่าความไม่พอใจความไม่ยินดีความหงุดหงิดเป็นต้นก็จะหายไปถูกระงบับยับยั้งไปและเมื่อความสุขบังเกิดขึ้นอาการโปร่งเบาทางกายทางจิต จิตก็จะมีความชื่นชมมีความยินดีอยู่ในความสุขเหล่านั้นเพราะความสุขที่ปรากฏในสมาธินั้นไม่ได้เหมือนกับความสุขกายสบายใจที่พูดกันในชีวิตประจาวันเป็นความสุขที่ซาบซึ้งตรึงใจของบุคคลถ้าหากว่าปรากฏในชั้นของทุติยชาติคือในระดับที่สองแล้วพระโบราณอาจารย์ท่านอธิบายว่า เป็นความสุขที่หวานใจยิ่งนักซึ่งหมายความว่าด้วยวิธีการอย่างอื่นนอกจากการปฏิบัติตามสมาธิแล้วความสุขเหล่านี้บุคคลจะสัมผัสไม่ได้เลยเมื่อความสุขบางเกิดขึ้นนิวรันที่เรียกว่าอุททะกุกุจะจคือความฟุงรร้งซ่านความรำคาญแห่งจิต ซึ่งปรากฏอยู่เป็นระยะระยะนั้นก็จะถูกสงบระงับดับไปและเมื่อสมาธิหรือเอกคาตาบาังเกิดขึ้นกิเลสซึ่งถือว่าตัวรายที่สุดได้แก่กามาฉันก็จะถูกสงบระงับไปเช่นเดียวกันเป็นนั้นว่าเมื่อบุคคลบำเพ็ญเพียรทางจิตมาจนถึงจุดที่เรียกว่าปฐมมาชานแล้ว นิวรเหล่านั้นทั้งหประการซึ่งกั้นจิตบุคคลไว้ไม่ให้เกิดความสงบไม่ให้บรรลุ ค, ความดีไม่ให้ก้าวไปสู่ทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็จะสงบระงับดับไปจิตของบุคคลจะดําเนินไปเข้าสู่ความประนีตยิ่งยิ่งขึ้นพอมาถึงชั้นของทุติยชานแม้แต่วิตกคือความตรึกและวิจารคือความตรอง ซึ่งเคยมีอยู่ในปฐมฌานก็จะสงบออไปปิติสุขและสมาธิปรากฏขึ้นเด่นชัดมากทุติยฌานนี้ท่านจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทิฏฐธรรมสุ ข, ขวิหารคือธรรมะที่ทำผู้ปฏิบัติให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันแม้ว่าชื่อขององค์ฌานจะเหมือนกัน แต่ว่าคุณภาพของปีติของความสุขของสมาธิเด่นชัดกว่าในช่วงแรกและเมื่อบุคคลตั้งใจบำเพ็ญเพียรปฏิบัติสืบต่อไปแม้แต่ความรู้สึกเอิบอิ่มใจคือปีตินั้นก็จะส ง, งบลงเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะของปีตินั้นให้สังเกตว่าถึงแม้จะเป็นองค์ฌานก็ตาม แต่ว่าจิตใจจะฟูขึ้นทำให้บุคคลสยบบุคคลติดอยู่ในปีติเหล่านั้นได้เมื่อติดอยู่ไม่ว่าจะติดในช่วงใดก็ตามก็ถือว่ายังอยู่ในอำนาจของกิเลสอยู่เช่นเดียวกันปีติจึงกลายเป็นทางผ่านประการหนึ่งเป็นเพียงสั ญ, ญลักษณ์ของการปําเพ็ญเพียรที่ถูกต้องตามขั้นตอนเท่านั้น แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วบุคคลจะต้องละปิติเหล่านั้นไปเพราะฉะนั้นในขั้นของตติยฌานปิติจึงสงบตัวที่ปรากฏเด่นชัดภายในจิตจะมีความสุขกายสบายใจและเอกกคตาคือจิตที่ตั้งมั่นเท่านั้นและแม้แต่ความสุขก็จะทำให้จิตฟูขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้นพอถึงชั้นของจตุเทฌานซึ่งเป็นชั้นที่สี่แม้แต่ความสุขก็จะหายไปใจของบุคคลจะตั้งมั่นลงด้วยกำลังแห่งสมาธิที่แก่กล้ามากในขณะเดียวกันอุเบกขาจะเป็นธรรมะซึ่งผุดขึ้นภายในจิตใจลักษณะของอุเบกขานินนีท่านแปลว่าการเข้าไปเพ่งดู คือหมายความว่าอุเบกขาเป็นลักษณะของปัญญาที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจต่อแต่นี้ไปขาให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป